ธรรมหรือธรรมะเนี่ยหลายคนก็มักจะนึกไปถึงเรื่องความดีความชั่วบุญบาปอันนั้นก็ถูกอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่ครบถ้ว น, น, นเวลาพูดถึงเรื่องดีชั่วเราก็นึกไปถึงเรื่องคุณธรรมเรื่องการมีศีลเนี่ยอย่างเรื่องศีลเนี่ยเดว่าศีลห้นี่มันก็ชัดเจนเนะถ้าละเมิดหรือไม่ทํานี่มันก็ กลายเป็นชั่วกลายเป็นผิดไปโดยเฉพาะข้อแรกเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือข้อที่สองการลักขโมยเนี่ยอันนี้มันผิดอันนี้มันไม่ดีใครที่ทำสิ่งนี้ก็ถือว่าไม่มีธรรมะไม่มีคุณธรรมแต่ว่าธรรมหรือธรรมะนี่มันมีความหมายกว้างกว่าดีชั่วเพราะว่า ทำบางอย่างนี่ก็เป็นเรื่องของกุศลกุศลนี่มันก็ไม่ใช่ไปเรื่องดีชั่วโดยตัวมันเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อความดีถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นกุศลหรือว่ามีอกุศลมาแทนที่มันก็จะนำไปสู่การกระทำที่ไม่ดีหรือการากระทำที่ผิดบาปได้ อย่างใช่เรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีชั่วบุญบาปนะแต่มันเป็นสิ่งเรียกว่ากุศลกุศลเนี่ยคือสิ่งที่เกื้อกูลเป็นสิ่งที่เกื้อกูลเป็นสิ่งที่ทำให้เกื้อกูลต่อความดีเกื้อกูลต่อความสุขแล้วคนเราถ้าหากว่ามีความวรู้สึกตัวหรือว่ามีสติเนี่ย ก็ง่ายนะที่จะทำความดีและเว้นความชั่วในแง่นี้เนี่ยจะเรียกว่าความสุขตัวเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะแต่ดีในความหมายที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของอผิดชอบชั่วดีหรือเรื่องคุณธรรมนะแต่เป็นเรื่องของดีในความหมายที่ว่ามันเกื้อกูลทำให้เกิดความผ่องใสเกิดความไพยบูรณ บางทีท่านก็ใช้คำว่าฉลาดนะคำว่ากุศลเนี่ยจะแปลว่าดีก็ได้ฉลาดก็ได้อย่างที่เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องอุปายโกศลเนี่ยคือความฉลาดในการทากิจต่างๆให้สำเร็จแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงให้เป็นร้ายกลายเป็นดีโกศลใ น, นที่นี้ก็ก็คือกุศล น, นั่นแหละซึ่ง ถ้าว่ามันเป็นอุปายและกุศลเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นมาได้ทำให้เกิดความเจริญอันนี้พอเราไปเข้าใจว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องของดีชั่วเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเราก็เลยมองข้ามสิ่งที่เป็นกุศลซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องดีชั่ว ในตัวมันเองแต่มันก็เกื้อกูลให้เกิดความดีงามขึ้นมาได้และทำให้เกิดความสุขด้วยความสึกตัวเนี่ยเราก็โยงไปถึงเรื่องของการมีสติโดยเฉาะสมาสตินี่มันทำให้ใจเป็นกุศลแล้วก็เอื้อต่อการเข้าถึงสัจธรรมความจริงมันไม่ใช่แค่เกื้อกูลต่อการมีคุณธรรมหรือมีจริยธรรม แต่ว่าทำให้เข้าถึงสัจธรรมความจริงความจริงของรูปของนามความจริงของกายและใจและความจริงของสรรพสิ่งได้อันนี้ก็ทำให้เกิดปัญญานั่นเองปัญญานี้มันก็เป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งซึ่งมันมีความหมายมากกว่าเรื่องดีชั่วถูกผิดแต่ว่า ยังเกื้อกูลต่อการที่ช่วยให้พบความสุขความสงบเย็นนี่ถ้าเราเข้าใจทำหรือทำว่าในความหมายที่กว้างเนี่ยไม่ใช่แค่ความดีหรือบุญนะแต่รวมไปถึงเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าของความสึกตัวได้มากขึ้นแต่เวลานี้เนี่ยเวลาพูดถึงความสึกตัวนี่เรามักจะมีความเข้าใจที่ค่อนข้างคับแคบ โดยความเข้าใจคนทั่วไปเชิญเข้าใจไว้ว่าเนี่ยถ้าสิ่งที่ตรงข้าขขความรู้สึกตัวคือการที่ไม่มีสติหมดสตนะิหรือว่าสลบสไลถ้าไม่สลบสไลไม่หมดสติหรือว่าไม่มีอาการที่เด่นชัด ว, ว่าโคม่าเนี่ยนะก็ถือว่ารู้สึกตัวแล้วนะ มันมีเกณฑ์วัดนะเาเรียกว่าโคม่าสเกลเป็นการวัดนะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีอาการที่เรียกว่าสลบหรือโคม่าหมดสติหรือว่ารู้สึกตัวน เขาก็แบ่งเป็นคะแนนนะเช่นถ้าได้3คะแนนนี่ก็ถือว่าโคมา่าคือไม่มีสติไม่รู้สึกตัวถ้าหากว่าปลายสุดอีกอีกอีกปลายหนึ่งของสเกลนี้ก็เรียกว่ารู้สึกตัวซึ่งเขาก็ดูที่3อย่างนะคือดูการทำงานของตามีตาตอบสนองต่อสิ่งเร้าไหม แล้วก็อก็คือพูดรู้เรื่องฟังรู้เรื่องไหมสื่อสารได้หรือเปล่า3เคลื่อนไหวได้ไหมนะเวลาเจ็บก็สามารถที่จะขยับตัวให้มันหายเจ็บหายเมื่อยได้ถ้าว่ามีสามประการนี้ครบเนี่ยก็ถือว่ารู้สึกตัวแล้ว นี่เป็นความสึกตัวในทางการแพทย์นะซึ่งจะว่าไปแล้วก็ยากเพราะว่าถ้าพูดในในทางธรรมะเนี่ยคนที่โมโหโกรธาครุ้มคลั่งนะหรือคนที่เศร้าส้อยหดหูก็อาจจะจัดว่ามีความสึกตัวนะในความหมายที่ว่าได้นะ ก็คือตาก็ยังตอบสนองต่อสิ่งเล้าพูดจารู้เรื่องหรือว่าขยื่งขยับได้อันนี้ก็ถือว่าได้คะแนนเต็มนะ15เนี่ยก็ถือว่ารู้สึกตัวในทางธรรมเนี่ยคนที่ยังโกรธนะคลุ้มคลั่งอารวาตหรือว่าคนที่เศร้าโศงงอยซึมเศร้าเงี้ยนี่จัดว่ายังไม่รู้สึกตัวนะ จะพาไปแม้กระทั่งคนที่กำลังทำงานลุมเครื่องจักรขับรถยนตนะ์ทำถูกไม่เกิดอุบัติเหตุหรือการหลงทางเนี่ยหรือข้ามถนนโดยปลอดภัยเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้นะเพราะตอนนั้นใจลอยใจลอย ค, นอนคิดนู่นคิดนี่แต่ว่าก็ ขับรถถึงที่หมายคุมเครื่องจักรได้ไม่เกิดอันตรายหรือว่าความถนนได้ปลอดภัยแต่นั่นเป็นเพราะว่าไม่มีเหตุร้ายแบบปุก ป, ปันะ่น้ความที่ใจลอยก็ยเลยทำอะไรได้ถูกต้องตามความเคยชินอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวได้นะ ว่าอย่างเผล อ, อยังใจลอยนะไอ้ที่ทําถูกนี่ทําไปตามความเคยชินมากกว่าเพราะว่ามีสติรู้จักใคร่กลวนแน่นความรู้สึกตัวเนี่ยในทางในทางธรรมเนี่ยนะมันมันมีความหมายนะลึกแล้วก็กว้างกว่านะที่เราเข้าใจซึ่งถ้าว่าเราเข้าใจแล้วทาให้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะเกิดความ รู้สึกผ่องใสเบิกบานไม่มีความเครียดความวิตกกังวลรบกวนไม่มีความรุ่มร้อนในจิตใจนี่เรีทกวาทให้จิตใจเป็นกุศลที่จริงความรู้สึกตัวเองก็เป็นกุศ ล, ลธรรมอยู่แล้วในขณะที่การแพทยในความรู้สึกตัวมันตรงข้ามกับการหมดสติหรือว่าสุดหรือว่าโคม่าเนี่ยในทางทำความรู้สึกตัวมันตรงข้า ม, ามความหลงนะความหลง หลงพราะหลุดเข้าไปในความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดเรืออ่องที่หลวงพอคำเกยนใช้ว่าลักคิดหลือหลงเข้าไปในอารมณ์ในตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวแม้ยังตื่นอยู่แม้ยังทำอะไรอยู่แม้ก็ต้องพูดรู้เรื่องแต่ว่าตอนนั้นอารมณ์เป็นครอบงำนะพูดในความโกรธหรือว่าพูดในความฟุ้งซ่านนะ อันนั้นก็เรียกว่ายังหลงอยู่นะแล้วพอหลงแบบนี้มันก็เลยทําให้ทําอะไรผิดผิดถูกถูกหรือทําสิ่งที่เรียกว่าไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมก็ได้หรือทําให้คนคนหนึ่งที่กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยอย่างเช่นเวลาที่ถูกความโกรธครอบงํำนี่าบางคนนี่โกรธจัดนะ ถึงกับทำร้ายหรือฆ่าคนรักด้วยมือของตัวเองทางั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะแม้แต่เหยียบมดหรือว่าฆ่าสัตว์ยังไม่ทำเลยแต่ทำไมเนี่ยไปทำร้ายหรือถึงกับฆ่าคนรักได้เหมือนกับว่าเป็นคนละคน อันนี้เพราะความหลงเนี่เพราะไม่รู้สึกตัวในความหลงที่มันทำให้คนเรานี่กลายเป็นอีกคนหนึ่งได้ไม่ยากเลยมันไม่ใช่แค่น้ำเหมาเท่านั้นที่ทำให้คนเรานี่กลายเป็นอีกคนหนึ่งหรือว่าเปลี่ยนกับเดคนละคนเนี่ยที่เขาไปพูดว่าเนี่ยน้ำเล่าคือน้ำเปลี่ยนทิสยัยไออารมณ์นี่ก็เปลี่ยนลิสัยของคนได้นะบางคนก็ ถูกความโลภครอบงำนะจกนกระทั่งทุจริตนะโกงเงินนะจำนวนมาก ท, ท, ทั้งที่ไม่เคยมีมประวัติทางนี้เลยแต่เป็นเพราะว่ามันเกิดนะเกิดความโลภขึ้นมาเงินก้อนใหญ่เราก็คิดว่าไม่มีคนรู้ไม่มีใครเห็น มันก็เลยพ่ายแพ้ต่อกิเลนหรือบางคนเนี่ยเกิดหน้า ม, มืดขึ้นมาตันหาครอบงำก็ไปกระทําชั่เราคนที่ตัวเองรู้จักทั้งที่ไม่เคยมีประวัติแบบนี้มาก่อนอย่างที่เราเรียกว่าหน้า ม, มืดมันก็กลายเป็นคนละคนเลยทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำ หรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่แก่งกล้าฉลาดนะเข้มแข็งสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ไม่ค่อยย่อท้อต่อประสบกรแต่วันนี้คืนนี้เอาได้ขาวว่าฆ่าตัวตายใชตไ้มทั้งที่เคยไปแนะนำนะเพื่อนรุ่นน้องเขาอยากจะฆ่าตัวตายก็แนะนำให้เขาเปลี่ยนใจ ให้เขาสู้ชีวิตแนะนำได้นะแต่พอตัวเองเกิดปัญหาเกิดวิกฤตในชีวิตบ้างไอสิ่งที่แนะนำไปนี่คิดไม่ออกเลยแล้วก็ถึงกับค่าตัวตายจนกระทั่งจนทั่งเพื่อนนะที่เขาเคยได้รับการช่วยได้รับการแนะนำให้รอดตายนี่ปรลาดใจมากคิดไม่ถึงนะว่า พี่ชายเราเราจะทําอย่างนั้นได้ในเมื่อเขาก็เป็นคนที่แนะนําให้เราสู้ชีวิตอย่าไปย่อท้อแต่ทําไมเขาเองกับเป็นอย่างนั้นซะเองอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะคนเรามันกลายเป็นคนละคนไปเพราะถูกความหลงครอบงำและความหลงนี่มันก็มาในรูปของอารมณ์ที่หลากหลาย ความโกรธความโลภความเศร้าความผวดทความหเหงาเหี้ยความท้อแท้แต่ถ้าคนเราเนี่ยมีความสึกตัวนะมันไอ้ปัญหาแบบนี้มันมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยความสึกตัวนี่มันทำให้เราเนี่ยนะไม่ทำอะไรที่เรียกว่า ผิดศีลผิดธรรมหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่สมควรให้คุณค่าหรือความสำคัญของความสึกตัวเนี่ยมันจึงจึงเป็นเรื่องที่คนควรจะให้ความตระหนักมากแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นกุศลธรรม ท, ที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยโดดเด่นในสายตาคนเท่าไหรนะ่ก็เลยไม่ค่อยให้ความสำคัญที่จะทำให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตัวแต่คนนี้แม้จะตั้งใจนะเห็นคุณค่านะของความสุขตัวนะในการที่จะรักษาความสุขตัวให้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็ไม่เรื่อง่ายเพราะว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันก็จะคล้อยมา เฉ่ยโอกาสเราพยายามที่จะฝึกใจให้มีความรู้สึกตัวมันก็มาเฉลี่ยโอกาสให้ใจเราหลงรู้สึกตัวไม่ได้ไปเดี๋ยวปรดาวเดี๋ยวความหลงก็เข้ามาแล้วที่เรามาช่วยโอกาสทั้งวันทั้งเนี้ยนะเรารู้สึกเราตื่นมาทั้งวันเนี้ยให้การที่เราจะรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องเนี้ยมันก็ยากนะ จะเรียกว่าทั้งวันเนี่ยหมดไปกับความหลงก็ได้รู้สึกตัวได้รปเดี๋ยวปดาเดี๋ยวมันหลงอีกแล้วไม่ว่าจะทำกิจใดเก็บที่นอนอาบน้ำถูฟันล้างหน้ารู้สึกตัวได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็หลงอีกแล้วเผือคิดนั่นเผอคิดนี่เกิดอารมณ์ตามมา น่นก็แต่เวลาเรามาวัดมาปฏิบัติทำมาเจริญสตินะตั้งใจทำความสึกตัวแท้ๆแต่มันก็หลงไปเพราะว่าความสึกตัวเนี่ยมันมันเกิดและดับเกิดและดับเถ้าช่วงที่ความสึกตัวมันดับเนี่ยบางทีมันก็เป็นจังหวะที่ตัวหลงจะเข้ามาครอบงำ ถ้าว่าเราสามารถจะให้ความสึกตัวต่อเนื่องเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดความสึกตัวได้ต่อเนื่องแต่ถ้ากําลังสติของเราไม่พอเรารู้สึกตัวได้ไประเดี๋ยวปรดา๋ยวเดี๋ยวก็หลงอยูอันนี้ธรรมดาก็ต้องปฏิบัติให้มันต่อเนื่องแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ความรู้สึกตัวที่มันเปิดช่อยความหลงเข้ามาครอบงำนะบางครั้งความหลงเนี่ย มันก็สามารถที่จะเปิดช่องให้ให้เกิดสติให้เกิดความรู้สึกตัวตามมาได้เพราะว่าความหลงก็เกิดดับเกิดดับเหมือนกันไอ้ตอนที่มันดับเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่สติหรือความรู้สึกตัวเข้ามาทำงานเลืงน้อยเกิดความรู้จักยั้งคิดคนเราเวลามีอารมณ์รุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะหมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์เช่นความโกรธเนี่ยเสมอไปนะ ฉนันที่ดูเหมือนว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาลืมตัวหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าหมดเนื้อหมดตัวไปร้อเป็นะมันมีโอกาสที่จะมีความยั่งคิดเกิดขึ้นอย่างเนี่ยในสำนัก ง, งานแห่งหนึ่งเนี่ยพนัก ง, งานสองคนเป็นผู้หญิงนี่ทะเลาะ ก, กันอย่างรุนแรงเลยมีปากเสียงกันด่ากันจนกระทั่งลั่นสำนัก ง, งานผู้จัด ก, การมาถึง ก็ถามว่าทะเลาะกับเรื่องอะไรบอกว่าทั้งสองคนนี่แย่งกันพูดฟังไม่ได้สับเลยเนะแล้วก็ชี้หน้าด่ากันจกลงผู้จักการแล้วไม่รู้ทะเลาะกับเรื่องอะไรแล้วผู้จักการเนี่ยแกก็ทํำยังไงนะแกก็เป็นคนที่ไหวนะแกก็โบกมือนะบอกว่าอย่าพึ่งทะเลาะกันอย่าพึ่งแย่งกันพูดนะ จะให้พูดกันทุกคนแต่ว่าให้คนที่หน้าตาขี้เหร่พูดก่อนเท่านี้นะหยุดเลยนะทั้งสองคนหยุดเลยทางดังทีเมื่อกี้นี่ยังเหมือนกับคนขาดสตินะถูกความโกรธข่มงาแต่พอผู้จาัด ก, การบอกว่าเนี่ยใครขี้เหร่พูดก่อนนี่หยุดเลยมันได้รู้จักยังคิดขึ้นมานะว่าฉันไม่อยากเป็นคนขี้เหร่นะหรือว่าฉันไม่ใช่คนขี้เหร่นะ ไอ้ความโกรธเนี่ยนะที่มันผลักให้ทั้งสองคนทะเลาะกันนี่มันหยุดเลยนะมันชังนักเลยอันนี้แสดงว่าแสดงว่าเขาไม่ได้หมดเนื้อหมดตัวไปร้อซนะเขาก็มีว่ามีมีจังหวะที่มันเกิดความยั่งคิดขึ้นมาในช่วงที่ความโกรธมันดับแล้วก่อนที่มันจะพูดขึ้นมาเนี่ยมันก็เปิดช่องให้เกิดความยั่งคิดน้อยฉันไม่ใช่เป็นคนขี้เลยฉันไม่อยากเป็นคนขี้เลยมันทำให้ความโกรธหยุดชังนักเลยจึหยุดพูดหยุดทะเลาะกันเลย มันมีนะมันมีคนที่เป็นนักกอล์ฟเนี่ยจำนวนมากเลยเนี่ยหลายคนซึ่งเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยเกิดเล่นผิดเล่นพลาดนะเดือยเพราะเล่นกับคนที่อ่อนประสบการณ์กว่าแต่เพราะว่ตัวเนี่ยกับได้คะแนนต่ำตามหลังเขา แล้วยิ่งพยายามจะทำให้ได้ดีก็กลับยิ่งตตีผิดตีพลาดมีบางคนเนี่ยพอตีพลาดเนี่ยโมโหตัวเองนะเอาไม้กอก์ฟเนี่ยฟาดหัวตัวเอ ง, นะเ อ, เเ อ, งอันนี้เรียกว่าทาด้วยความโกรธทาด้วยความลืมตัวนะโกรธที่ตัวเองเนี่ยตีพลาด เรื่อจะโกรธนูน่นโกรธนี่แต่สุดท้ายก็มาลงที่ตัวเองถ้ดูไปนี่ก็เรียกว่าลืมตัวเต็มที่เลยนะเอาไม้กอล์ฟนี่มาฟาดหัวตัวเองแล้วแบบนี้ก็มีเยอะนะแต่ตอนหลังเนี่ยสนามกอล์ฟเนี่ยหรือว่าในวงการกอล์ฟวงการกอล์ฟมือโปรระดับนานาชาตินี่เขามีระเบียบนะบอกว่าถ้าใครทาอย่างนี้นะให้ จับฟาวเลยหรือว่าให้ยุติการแข่งขันทันทีจับแพ้เลยปพราว่าพ อ, อกดแบบนี้นะให้คนที่จะเอาไม้กอมาฟาตัวเองเนี่ยด้วยความโกรธเวลาตีผิดพลาดเนี่ยมันน้อยลงไปเยอะเลยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนที่โกรธเนี่ยนะที่เคยทำจนลืมตัวเนี่ยมันไม่ใช่ลืมตัวร้เปอร์เซ็นต์นะ มันมีช่วงจังหวะที่มีโอกาสที่จะได้สติเกิดความยั่งคิดหรือระลึกได้ขึ้นมาบางทีเราไปคิดว่าคนเราพอหลงแล้วมันหลงไปหมดเนี่ยมันไม่ใช่มันมีจังหวะที่ความหลงนั้นจะเปิดช่องให้สติให้เกิดสติขึ้นมาเกิดความระลึกนึกขึ้นมาได้เช่นพอโกรธเนี่ยนะ พอจะอไม่ก็มาฟาดหัวตัวอย่นี้มันนึกขึ้นมาได้หรือว่าคืนทําอย่างนี้นี่นะถูกลงโทษนะพอนึกขึ้นมาได้นี่มันหยุดเลยนะไอ้ที่นึกขึ้นมาได้นี่เรียกว่ามีสตินะสติมันแปลว่าความระลึกได้ระลึกได้ว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยถูกลงโทษแล้วความที่ไม่อยากจะถูกลงโทษเนี่ยมันก็ทําให้ยั้งเลยนะนี่มันก็แสดงว่าความโกรธเนี่ยหรือความหลงเนี่ยมันไม่ใช่ว่า มันจะครอบงำจิตใจเรา 100% เซนะมันก็มีจังหวะ น, นะที่จะเกิดสติระลึกขึ้นมาได้หรือว่าเกิดความยั้งคิดนะเมื่อคนที่ทะเลาะกันเสร็จแล้วพอเจ้านายบอกว่าเนี่ยใครขี้เหละพูดก่อนเนี่ยมันหยุดเลยนะเพราะว่าไม่อยากเป็นคนขี้เหละหรือว่าเชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนขี้เหละ น, นี่คืออะไรก็คือการจับยั้งคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่า เวลาหลงเนี่ยมันจะหลงไป 100% เซนนะในอนเดียกันเนี่ยทั้งวันทั้งวันเนี่ยของผู้คนที่เขาจมอยู่ในความโศกความเศร้าเขาก็ไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจงความเศร้าเนี่ยตลอดเวลามันก็มีช่วงที่ความเศร้านั่นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับหยุดจุดให้หายซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ความสึกตัวนะจะเข้ามาแทนที่ จะเพื mm ่อว่าในหลงเนี่ยมันมีรู้ก็ได้เช่นเดี๋ยวก็ในความรู้ตัวมก็มีความหลงในความรู้ตัวเนี่ยมันก็มีความหลงรู้ตัวไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็หลงอีกแล้วแต่ว่าในความหลงนั้นเนี่ยมันก็หลงพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมรู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวประเดี๋ยวเดแล้วก็กลับมาหลงใหม่เพราะความหลงที่มันแรงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าความรู้สึกตัวหรือสตินี่มัน มันมีอำนาจมีกำลังมากพอนี่มันก็สามารถที่จะทำให้ให้ความหลงนิช ง, งักได้นะคนที่เขานะคิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยใจยเนี่พุ่งไปเรื่องการฆ่าตัวตายเต็มที่แล้วแต่บางทีพอมีใครพูดสะ ก, กิดก็ทำให้เปลี่ยนใจได้นะบางทีกําลังจะโดดจะตึกนะตอนเช้ามืดเนะี่ย ตึกสูงด้วยนะแต่พอเห็นแสงอาทิตย์ เ, ยเห็นแสงเงินแสงทองรำไรเกิดสติขึ้นมาเลยไอ้ที่คิดจะโดดลงมานี่มันก็ยั้งได้อันนี้เพราะว่าไอ้ความเศร้าความหดหัวเนี่ยมันไอตอนที่มันเกิดแล้วมันก็ดับเนี่ยมันเป็นจังหวะที่สติจะออกมาทำงาน แล้ทำให้เกิดความรู้จักยั่งคิดขึ้นมานี่ถ้ากิว่าเราเจริญสติ บ, บ่อยๆเจริญสติบ่อยๆเนี่ยจังหวะที่สติจะเข้ามาทำงานหรือความสึกตัวเนี่ยจะเข้ามาแทรกความหลงเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนกระทั่งเรารู้จังอารมณ์นั้นได้มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้ น, นงาน่ายๆนั้นถ้ากิว่าเราเจริญสติ บ, บ่อยๆพยายามทางความสึกตัวอยู่เรื่อยๆ นะแม้ว่าเราจะอาจจะยังทำได้ไม่ดีนะักแต่ถึงเวลาที่มันเกิดความหลงมันจะหลงไม่ได้นานมันจะเศร้ามันจะโกรธนะไม่ได้ต่อเนื่องมันจะมีจังหวะที่เกิดความรู้ตัวขึ้นมาเกิดสติขึ้นมานะแล้วนั่นก็อาจจะมากพอที่ทำให้เราเนี่ยนะกลับมาเป็นผู้เป็นคนหรือรู้เน ร, ร, รู้ตัวได้งั้นะถ้าเกิดว่าเราทาเป็น เป็นอาจินทําเป็นทุนเอาไว้นี่มันก็ทําให้ให้ความหลงเนี่ยไม่สามารถที่จะคลอมงามจกนกทั่งเราหมดเนื้อหมดตัวร้อยเปอร์ซนยังมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมามีโอกาสที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาได้